ไอ ห, หนูอย่าเดินเรือนดังซับจะหนียายบอกหลานเมื่อหนุ่มน้อยเดินลงซนตึงๆจนบ้านสะเทือนขณะลุกออกไปยกสำรับในครัวไม่หนีหรอกยายเดินเบาๆต่างหากละ่ะซับถึงจะหนียังจะมีหน้ามัดเหียงอีกแนะ่เองนี่ยิงว่าก็เหมือนหญิงยุหญิงดุ ก็เหมือนยิงเดือเด็กอาไราให้ผูยย้ใหญ่บ่นจนปากเปียกปากแฉะอยู่ได้เรื่องเดินเรือเนี่ยยายพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วตอนเด็กๆดูเหมือนว่าสอนง่ายกว่านี้ยายบ่นยืดยาวหนุ่มน้อยยิ้มรับอย่างอารมณ์ดีต้องทำอารมณ์ให้ดีเข้าไว้ก่อน เพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่ยายไม่อยู่บ้านและเขาจะจัดการขโมยทองไปขายบัดนี้เขาเลิกเล่นโยนต์หลุมแล้วแต่หันมาเล่นถัว่วเล่นโปแทนเรื่องการพนันขันต่อเขาชอบนะักแต่เล่นทีไรเจ๊งทุกทีขอยืมคําของยายมาใช้หน่อยเถอะยายครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ผมพูดความจริง ถ้ายายจะไปขโมยเงินใครเขาน่ะเดินดังๆเจ้าของบ้านก็รู้ตัวแต่ถ้าย่องเบานะสบายมากเจ้าของไม่รู้เลยผมถึงได้พูดว่าเดินเบาๆซับถึงจะหนียังไงล่ะเขานึกถึงคืนวันที่ขโมยเงินในปี๊บของยายโดยใช้วิชาเดินเบาที่ยายสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ เองไม่ต้องมาทาพูดยากย้อนรอกักถึงยังไงยายก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเองเหมือนสัจจานึ่งโทยายแล้วก็ไม่รู้จักหมุนสมองให้ทันสมัยื้อบ้างเลยหลานชายว่าถึงจะทันสมัยยังไงแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติ มันก็ใช้ไม่ได้หรอกหลานเอ้ยคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมซับจะมาได้ยังไงพรุ่งนี้ก็รู้ว่าจะมาได้ยังไงหนุ่มน้อยเถียงในใจเขาจะเอาสายสะพายไปขายสักหนึ่งเส้นนอกจากจะเอาเงินไปเล่นการพนันแล้ว ก็จะเก็บไว้ซื้อผ้าถุงกับเสื้อไว้อาบน้ำให้ยายกับแม่ตอนสงกรานจะซื้อผักเข่ามาให้พ่ออีกด้วยหนุ่มน้อยคิดเกาข้างตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นสิ่งดีเพราะเขาไม่ได้นำเงินไปใช้เฉพาะส่วนตัวเองแต่จะเผื่อแผ่มาถึงยายและลูกสาวลูกเขยของยายอีกด้วยยายครับ พรุ่งนี้เราจะไปวัดตอนกี่โมงทั้งที่รู้หากก็แกล้งถามเอ็งถามทำไมมีแผนจะขโมยอะไรไปขายอีกห่ะคนเป็นยายไม่รู้สักนิดว่าคำพูดนั้นแทงใจดำคนเป็นหลานผมนะ่ารื้อจะขโมยถ้าผมขโมยของยายก็แปลว่าขโมยของตัวเองน่ะสิครับเพราะยายบอกว่า ของเหล่านี้ยายยกให้ผมแต่ยายเคยบอกเองแล้วว่าให้แบ่งหนังเหรียญมันบางใครจะรู้เองอาจไม่ขโมยของตัวเองแต่อาจจะขโมยส่วนของหนังเหรียญมันก็ได้ทำไมยายจะไม่รู้ว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่นั่นหายไปเพราะฝีมือใคร ผมไม่เคยขโมยอะไรของยายหนุ่มน้อยยังคงปากแข็งอย่ามาพูดหน่อยเลยหลานเอ้ยคนอย่างเอ็งนะ่พะพออาปากก็เห็นไรฝันต่อให้อมพระมาพูดยายก็ไม่เชื่อแล้วถ้าอมขี้หมามาพูดละ่ะยายจะเชื่อหรือเปล่าอมพระนะ่ะใครๆก็ทำได้แต่อมขี้หมานี่สิถ้าใครทำได้ ผมจะยอมเชื่อว่าเขาพูดความจริงไม่ได้โป๊บดมดเท็ดเองพูดอะไรนะยายคลื่นใส่แล้วนะพระเดี๋ยวก็เลยกินข่าวกินปลาไม่ลงกันพอดียายเอ็ดเพราะกำลังจะลงมือกินข้าวเช้ากันก็ยายอยากมากล่าวหาว่าผมขโมยหลานชายยังคงบน่นยายอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่า เงินกลมในกระบอกไม้ไผของยายนะมันหายไปไหนทำไมใจฟฝีมือเองขอโมยจากบางกอกคองไม่ลงทุนมาลักของยายหรอกนะอะไรอะไรก็โทษผมที่คนอื่นไม่โทษบ้างหนุ่มน้อยเทียงไปข้างๆคคูจะมีใครที่ไหนมาไโทษอีกละ่ะ ในเหมือมันมีกันอยู่สองคนแค่นี้อ๋อรือว่าจะให้โทษหนังด่างกับหนังดำมันเองจะโยนความผิดไปให้หมาหว่างั้นเถอะเอาละเอาละกินข้าวกันได้แล้วยายแล้วก็บ่นทั้งก่อนอาหารหลังอาหารจนผมคร้านที่จะฟังเมื่อไหร่จะเลิกบ่นสียทีก็ไม่รู้กินหอาบ่นอย่างนี้ เองก็ยังเอาดีไม่ก่อยจะได้ยายว่าก็ยายบ่นมากเกินไปมันเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวไม่เหลือค้างไวให้ผมจดจำเพื่อ น, นำไปปฏิบัติบ้างเลยคนอายุสิบหหาทางออกจนได้งั้นยายเลิกบ่นก็ได้ประเดี๋ยวอิ่งข่าวแล้ว จะได้ไปตลาดกันวันนี้ต้องซื้อของหลายอย่างทั้งมะพร้าวน้ำตาลหมูนี้สังขารของยายมันโ ร, โรยลงไปมากหาบของไม่ข่อยจะไหวก็ได้พึ่งพาอาศัยเองนี่และขนาดจะเลิกบน่นยายก็ยังอดบ่นไม่ได้แล้วยังไม่เคยว่าผมดี ขาดผมไปสักคนยายจะรู้สึกไอ้หนูเอ๋ยที่ยายบน่นยายว่าเองทุกวันนี้ก็เพราะรักและอยากให้เองได้ดีหรอกนะเอาเถอะวันนี้เองอาจจะ ร, ารําคาญในสิ่งที่ยายพูดแต่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเองโตเป็นผู้ใหญ่เองจะรู้ว่า สิ่งที่ยายบอกยายสอนนั้นมันมีประโยชน์จำเอาไว้ครับผมจะจำถ้าหากว่าไม่ลืมคืนนั้นหนุ่มเจริญสวดมนต์นานกว่าปกติเขาเข้าไปสวดที่ห้องพระเช่นเดียวกับยายจนยายลุกออกมาแล้วเขายังคงนั่งสวดอยู่อย่างนั้นถ้าจะสมนึกได้แล้วมอง ไม่เสียแรงที่เราเฝ้าอบรมบ่มนิสัยยายนึกขณะเดินกลับห้องมานอนข้างฝ่ายคนที่กำลังนั่งสวดมนต์กลับคิดว่าคาถาเดินเบาของยายนี่ชะงัดจริงๆเราขโมยเงินยายใช้จนหมดไปตั้งหลายวันแล้วยายยังไม่รู้เลยทว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่กว่านั้นจึงพยายามนึกถึงบทสวดมนต์ที่ยายเคยสอน เริ่มตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหาการุณิโกพระคาถาชินะบัญชรจนถึงยอดพระกันไตรปิฎกสวดผิดผิดถูกๆไปตามเรื่องเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เป็นคนจำเก่งและสติปัญญาเป็นเลิศสวดมนต์เสร็จเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานออกมั่นใจว่าจะต้องขลังเหมือนคราวก่อน จะพระคุณขออํานาจบา ร, รมีคุณพระศิริรัตน์ไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยให้ลูกช้างขโมยของยายสําเร็จเถิดลูกช้างจะได้มีเงินซื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้ยายกับแม่ซื้อผ้าขม้าให้พ่อบุคคลทั้งสาเป็นผู้มีพระคุณกับลูกช้างขอให้ลูกช้างได้ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยวิธีนี้เถิดเจ้าค่ะอธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งแล้วลุกไปนอน รู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรุ่งเช้าเมื่อส่งยายขึ้นศาลาแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับดูเขาเร่งรีบจนยายสงสัยจะรีบไปไหนล่ะไอ้หนูรับศีลรับพรจากพระเสก่อนแล้วค่อยกลับ ยายชวนไม่ได้หรอกยายผมจะต้องรีบกลับไปทำงานมีงานรออยู่เยอะเลยบ้านช่องก็รกเรือ้อมีแต่อยากใยใยแมงมุมเข้าสารก็กำลังจะหมดน้ำก็แห้งออคงวันนี้ทั้งวันจะทำเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้พูดอย่างรู้สึกหนักใจหมูนี้เองดีผิดสังเกตนะไอ้หนูเมื่อคืนก็สวดมนต์นานกว่ายายอีก เองไม่เคยเป็นอย่างนี้หนีนาสงสัยน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเซลมังมายายสัพยอกยายผมไม่เข้าใจเลยนะผมดีก็ว่าไม่ดีก็บน่นจนผมทำตัวไม่ถูกแล้วหลานชายกระเง้ากระงอดเอาเธอเอาเธอจะกลับก็กลับขืนเองอยู่นาน รถเดียวจะทําให้ศีลของยายต้องด่างพร้อยกลับไปซะหนุ่มน้อยจึงได้กลับบ้านด้วยความหวังว่าจะต้องทางานสาเร็จนั่งด่างกับนางดาวิ่งออกมารับเมื่อเขากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยไม่เสียเวลาขึ้นเรือนหักตรงไปใต้ถุนตรงที่เข้ากับยายฝังไห่บรรจุเงินและทองไว้ จัดการเปิดกระพร้อมออกแล้วหาเสียมมาขุดดินเมื่อขุดเสร็จก็ต้องประหลาดใจด้วยไม่พบหาสองลูกนั้นตรงที่วางหายมีรูทะลุออกไปทางหลังเรือนแสดงว่าจะต้องมีคนมาลักเอาไปคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าก็มีเขากับยายเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หรือว่ายายไปบอกป้าเหรียญแกจึงแอบมาขโมยขุดเอาไป คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาห่างกันชั่ววันพระเดียวแล้วยายก็อยู่บ้านตลอดแสดงว่าจะต้องเป็นขโมยจากที่อื่นมาลักเอาไปอย่างแน่นอนเราจะบอกยายดีไหมนะถ้าบอกยายก็ต้องรู้ว่าเราจ้องจะขโมยแล้วถ้าเกิดยายเสียใจจนหัวใจวายเราก็บาปนะสิไม่บอกดีกว่าไว้ให้ยายรู้เองก็แล้วกันหนุ่มอายุ16ห คิดว้าวุ่นรู้สึกหมดเรี่ยวแรงจนขึ้นบ้านแทบไม่ไหวนั่งด่างกับนังดำส่งเสียงร้องหงียงเพราะเขายังไม่ได้ขุนข้าวมันอยากร้องก็ร้องไปเถอะข้าเองก็หิวยังไม่มีแก่ใจจะกินเลยในเมื่อข้าโชคร้ายเองก็ต้องโชคร้ายไปด้วยเขาคิดผ่านๆเอาละในเมื่อนัดกับเจ้าโกและเจจุบไว้แล้วว่าจะไปเล่นถัว่วเล่นโปกันที่ยอมเสียคําพูดไม่ได้ เห็นจะต้องแอบขโมยเงินในปี๊ปย้ายนั่นแหละไปเล่นบ้านช่องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะนางด่างกับนางดำมันคงไม่หนีไปเล่นที่อื่นอีกอย่างเจ้าหายเงินหายทองก็ไม่อยู่แล้วขโมยมันจะลักอะไรก็ช่างหัวมันคิดได้ดังนี้เรียวแรงก็กลับคืนมาราวปาฏิหารเขาจัดการคุณข้าวนางสองตัวนั่นจากนั้นจึงกินข้าวเช้าอิ่มข้าวแล้วก็เข้าไปในห้องยาย ขโมยเหรียญทองแดงมาสองกำมือเตรียมเอาไว้ยังไม่ถึงเวลานัดจึงเข้าห้องนอนเอาแรงตื่นแล้วค่อยไปเล่นไม่ทันถึงชั่วโมงสามสหายก็น่าเหี่ยวหน้าแห้งไปตามๆกันเพราะเล่นเสียเงินหมดเสียแล้วก็เล่นต่ออีกไม่ได้จึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตน วันหน้าโชคคงจะเป็นของเรานะเพื่อนนะหนุ่มกันเทียงปลอบใจเพื่อนวันพระไม่ได้มีหนเดียวเราจะแพ้ได้ทุกครั้งก็ให้มันรู้ไปหนุ่มจำรัดพูดบ้างส่วนหนุ่มเจริญรู้สึกอ่อนเพลียเพลียแรงจนไม่อยากจะพูดเขาเดินคอตกกลับบ้านโลกช่างโหดร้ายต่อเขาเสียเหลือเกินขุดทองก็ไม่พบแล้วยังจะต้องเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวอีก ยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาไปรับยายเขาจึงจัดแจงทําความสะอาดบ้านและตักน้ําใส่โอง่งเขาไม่ต้องไปเรียนดนตรีที่บ้านครูสมใจอีกต่อไปด้วยว่าเล่นเป็นหมดทุกอย่างทั้งทําปีพาดสีซอตีข็มเล่นจะเข้เป่าปีตีฉิ่งเขาทําได้ทั้งนั้นและที่ชํานาญมากที่สุดคือทําปีพาดเสร็จจากตักน้ํา เขาต้องเสียเวลาเช็ดบ้านอีกเพราะน้ำหกเปียกกระดานแล้วคิดได้ว่าคราวต่อไปจะตักน้ำก่อนแล้วจึงค่อยถูบ้านจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดซ้ำเพราะน้ำหกงานบนเรือนเสร็จแล้วจึงลงไปทำงานข้างล่างคือตำข้าวเขาหยิบกระบุงโกยไปตักข้าวจากยุงมาใส่ครกแล้วตำตั้งใจว่าวันนี้เอาแค่สามกระบุงก็พอ วันหน้าค่อยตำใหม่ไม่ต้องใช้วิธีตำข้าวสารกรอกหม้อก็ดีถงไปแล้วทำงานเสร็จหนุ่มน้อยจึงกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วนอนเอาแรงรอบที่สองรอเวลาที่จะไปรับยายหลานชายห่าบสาหรกเดินนำหน้ายายเดินตามหลัง คนอายุเจ็ดรอบรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่คนเป็นหลานดูเงียบเหงาเศร้าซึมก้มหน้าก้มตาเดินงุดงดไม่พูดไม่จาไอ้หนูเอ็งไม่สบายหรือเปล่ายายถามขึ้นผมสบายดีทำไมยายถามผมอย่างนี้ล่ะก็เห็นเอ็งเงียบผิดสังเกตทุกทีเคยคุยจ่อวันนี้ผมไม่อยากคุย เขาพูดวนๆอย่างนั้นหรอกหรือเอาละเมื่อเองไม่อยากคุยยายก็จะไม่ถามเศ้าสิให้เองรำคาญใจยายกับหลานจึงเดินกันมาเงียบๆกระทั่งถึงบ้านก่อนนอนยายเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในห้องพระเช่นเคยทว่าวันนี้ไม่เห็นหลานชายเข้ามาไหว้พระที่จริง เขาก็ทำเช่นนี้เป็นปกติเพิ่งจะเมื่อคืนวานที่ผิดปกติไปอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินไปดูที่ห้องนอนของหลานหนุ่มเจริญกำลังนอนเอามือกายหน้าผากภายใต้แสงตะเกียงริบรี่ครั้นเห็นคนเป็นยายเดินเข้ามาถึงลุกขึ้นนั่งถามว่ายายมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าไมมีหรอกทาไมเองไม่ไปไหว้พระ สวดมนต์เหมือนอย่างคืนวานล่ะสวดทำไมกันทุกๆวันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาคนตอบรู้สึกหงุดหงิดนึกโกรธพระที่ไม่ช่วยให้แผนการของเขาสำเร็จลุล่วงอุตสาหลงทุนสวดมนต์เป็นนานสองนานอย่าพูดแบบคนมิชชาทิทิทสิหลานเอ้ยการสวดมนต์ ก็เพื่อสะสมบารมีน้หลานแต่เรามีบารมีมากมากเมื่อเกิดเคราะห์หามยามร้ายก็จะช่วยพอนหนักให้เป็นเบาได้ไม่จริงหรอกยายเมื่อคืนผมอุตส่าห์สวดมนต์ตั้งนานแล้วก็อธิษฐานให้พระท่านช่วยเสร็จแล้วเป็นยังไงยายรู้ไหมท่านไม่ช่วยผมเลยยายจึงพูดอย่างรู้เท่าทัานว่า แสดงว่าสิ่งที่เองอธิษฐานนั้นเป็นอกุศลเป็นบาป พ, พระท่านไม่ช่วยในทางที่ผิดหรอกไอหนูที่ยายพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าละ่ะหนุ่มน้อยไม่กล้าตอบเพราะ ถ, าถ้าถูกยายซักแล้วความลับจะแตกยายมูนี้ป้าเหรียญมาเยี่ยมยายบ้างหรือเปล่าเขาเรีบเคียงถาม เปล่ามันจะเอาเวลาที่ไหนมาเมาทั้งวันออกอย่างนั้นแล้วยายล่ะไปเยี่ยมแกบ้างหรือเปล่าเปล่ายายจะเอาเวลาที่ไหนไปงานยุ่งทั้งวันออกอย่างนี้ยายตอบคล้ายๆประโยคแรกงั้นแกก็ไม่รู้เรื่องที่ผมกับยายเอาสมบัติไปฟังไว้ใต้ทุนนะสิใช่ไหม ย, ยายเอ็งอยากให้มันรู้นักเรื่องอไร ไม่อยากครับคืนรู้แกจะได้ขโมยไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากินจริงๆนะยายป้าเหรียญ น, นี่แกทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลถ้าผมเป็นยายจะไม่นับแกเป็นลูกเลยล่ะนึกเสว่าเลือดก้อนหนึ่งโยนให้หมามันกินไปไอ้หนูอย่าไปจงเกลียดจงชังมันนักเลยแค่นี้มันก็มีกรรมมากพออยู่แล้ว ืั้งยังไงมันก็เป็นลูกของยายจะผิดก่อลูกจะถูกก่อเลือดใครจะไปเถือนไปเถิดมันได้ไง่ายๆเอาไว้เองมีลูกแล้วจะรู้สึงถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเอาละ่ะยายจะไปนอนเสียทีพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าละ่ะ จะได้ไม่ไปโรงเรียนสายคนเป็นใหญ่ออกไปแล้วหลานชายจึงดับตะเกียงแล้วนอนเอามือกายนับผักเหมือนเดิมแสดงว่าป้าเหรียญแกไม่ได้มาขโมยหเงินหายทองไปเอแล้วมันหายไปทางไหนกันละ่ะหนุ่มน้อยนอนครุ่นคิดยายล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องกาหนดพองหนอเมื่อท้องพอง และยุบหนอเมื่อท้องยุบสมภารวัดสัทธาพิรมสอนกรรมฐานให้ยายทำอะไรต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนคู้แขนเหยียดขาต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุนี้ยายจึงฝึกสตินอนมีสติตื่นมีสติยายฝึกอย่างนี้ทุกวันพอเคลิ้มเคลิมจวนจะหลับสติจึงบอกยายว่า หลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรับไปทำลายทรับเลยเคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่ป่า ก, กระชายโน้นห่างจากที่เดิมไปห้าวายายกำหนดลืมตาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและเปิดออกข้างนอกเดือนมืดด้วยเป็นวันพระข้างแรมคนอายุแปดสิบสี่มองฝากความมืดไปในป่า ก, กระชายอธิษฐานจิตว่า หากเสียงที่บอกกล่าวนั้นเป็นความจริงก็ขอให้ยายได้รู้ว่ารัพย์อยู่ที่นั่นสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏลำแสงสีทองพุ่งขึ้นจากปากกระชายยายกำหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่นานเพื่อจะตรวจสอบว่ามิได้ตาฝาดไปได้เห็นจนเป็นที่พอใจแล้วยายจึงพูดขึ้นว่า เอาละ่ะข้าเถื่อแล้วขอบคุณเทวดาที่ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ให้ขาเมื่อยายพูดจบพลันลำแสงสีทองก็หายวับไปกับตาจึงปิดหน้าต่างและเดินกลับมานอนคิดในใจว่าไอ้หนูเอ้ยเองนี่เลี้ยงเสียเข่าสุกจริงๆเสียแรงที่ยายเลี้ยงมา แลก็รักปานแกวตาแกวใจแต่ถึงเองจะเป็นยังไงยายเกาะคงรักเองไม่น้อยไปกว่านี้